เรื่องเล่าผีหลอนตอนปอบขายกล้วยเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่คุณนายได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองโดยเหตุการณ์ทั้งหมดต้องย้อนกลับไปเมื่อสิแปดปีที่แล้วคุณนายเล่าว่าผมเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ที่อำเภอสิรินทรติดกับชายแดนลาวตอนนั้นผมอายุสิบขวบกำลังเรียนอยู่ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวชาวนาและเลี้ยงวัวอยู่สามสิบกว่าตัวทุกวันหลังเลิกเรียนผมก็ต้องไปต้อนวัวที่ปล่อยไปเลี้ยงตามทุ่งนาให้กลับมาเข้าคอกตามปกติเป็นประจำทุกวันและวันนี้ก็เช่นกัน แต่วันนี้ช่วงเวลาสักประมาณห้าโมงเย็นช่วงเวลานี้แถวบ้านผมก็เริ่มที่จะมืดแล้วทุกคนก็ต่างเข้าบ้านเตรียมตัวกินข้าวเย็นและหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จผมก็จะลงไปเล่นกับเพื่อนที่ถน น, นหน้าบ้านทุกวันเพราะมันจะมีเสาไฟและหลอดไฟเล็กๆอยู่ตรงนั้นพวกผมก็เล่นดีดลูกแก้วกันสักพัก ก็ได้ยินเสียงหมาเห่ามาตามทางจากนั้นก็เห็นยายแก่คนหนึ่งเดินมาทางผมพร้อมกับเสียงหมาเห่าในมือแกถือกล้วยอยู่หนึ่งหวีแกเดินเข้ามาใกล้ๆพวกผมแล้วก็ถามผมว่าเ้ยช่วยยายซื้อกล้วยหน่อยสิผมเลยตอบไปว่ากินข้าวอิ่มแล้วจากนั้นยายแกคนนั้น ก็เดินไปใกล้ข้อวัวยายแกก็ยืนอยู่สักพักแล้วก็เดินหายไปวันต่อมาหลังจากผมต้อนวัวเข้าคอกเสร็จก็มาอาบน้ำเตรียมตัวกินข้าวเย็นผมอาบน้ำเสร็จกำลังจะขึ้นบ้านสายตาก็เหลือบไปเห็นยายคนเดิมมาด้อมดอมมองมอ ง, มองอยู่ที่ข้อวัวแต่ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไร ซึ่งที่บ้านของผมจะเป็นบ้านยกสูงแล้วมีม้านั่งอยู่หน้าบ้านที่ยื่นออกมาเวลานั่งก็จะสามารถมองเห็นคอกวัวได้หลังจากกินข้าวเย็นเสร็จพ่อของผมก็ออกมานั่งดูดบุหรีเหมือนทุกวันพ่อผมเคยบวชเรียนมาก่อนจึงพอจะมีวิชาติดตัวอยู่บ้างขณะที่ผมนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านกับแม่จูจู พ่อก็วิ่งเข้ามาในบ้านแล้วบอกว่าอย่าออกไปไหนตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแล้วก็เห็นพ่อหยิบปืนออกไปพอผ่านไปสักพักพ่อก็กลับขึ้นมาแม่เลยถามว่ามีอะไรพ่อก็ตอบแม่ว่าเหมือนเห็นคนอยู่ที่คอกวัวด้านหลังพอลงไปดูก็ไม่เห็นใครสงสัยจะตาฝาด วันต่อมาหลังเลิกเรียนผมก็ออกไปต้อนวัวกลับเข้าคอกตามเคยแต่ว่ามันมีลูกวัวหายไปหนึ่งตัวและฝูงวัวก็ดูเหมือนจะตื่นตกใจอะไรบางอย่างผมจึงรีบต้อนวัวกลับบ้านแล้วนำเรื่องไปบอกพ่อเวลานั้นก็ใกล้จะมืดแล้วพ่อผมก็เลยชวนลุงกับนาให้ออกไปช่วยกันตามหาผมเอง ก็เลยชวนอายุเพื่อนข้างบ้านไปด้วยกันผมไม่ได้คิดอะไรเลยในตอนนั้นคิดแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องสนุกทุกคนก็ตามหาส่องไฟหายังไงก็หาไม่เจอนะ้าผมเลยพูดขึ้นว่าหรือว่าลูกวัวจะไปกินน้าและตกฝายตายหรือเปล่าพ่อของผมก็เลยพูดว่างั้นเราไปดูที่ฝายเก็บน้ากัน ช่วงนั้นน่าจะเป็นเวลาสักประมาณ4ีทุ่มกว่าๆผมก็เดินตามหลังพวกผู้ใหญ่ไปหยอกล้ อ, อ ก, กันไปกับอายุแต่พอไปถึงท้ายฝายปรากฏว่าไปเจอศพลูกวัวที่โดนควักไส้ออกไปกินตอนนั้นผมคิดว่าต้องเป็นฝีมือของเสือแน่ๆทุกคนยืนดูศพลูกวัวอย่างสงสัยแต่พ่อของผม ก็พูดขึ้นว่ามันไม่น่าจะใช่เสือแล้วทุกคนก็ยืนนิ่งครุนคิดกันว่าทำไมศพลูกวัวถึงมีสภาพเช่นนั้นจากนั้นเสียงลุงก็พูดขึ้นว่าเดี๋ยวขอไปฉี่ก่อนนะปวดฉี่วะแล้วลุงก็เดินไปฉี่ขณะที่กำลังฉี่อยู่นั้นลุงก็เหลือบไปเห็นรอยเลือดที่เปื้อนบนต้นไม้ ลุงจิงค่อยๆส่องไฟฉายขึ้นไปตามรอยเลือดก็ปรากฏว่าเจอยายแ ก, แก่คนหนึ่งนั่งอยู่บนต้นไม้แล้วกระโดดไปมาระหว่างต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งพร้อมเสียงหัวเราะแล้วก็หายไปผมตกใจมากแต่คนที่ตกใจจนสติหลุดน่าจะเป็นลุงของผมพ่อก็เลยวิ่งไปหาลุงแล้วเรียกสติลุงกลับมา พวกผมเอาศพลูกวัวกลับบ้านผมก็เล่าเหตุการณ์ที่ได้พบเจอให้แม่ฟังตอนนั้นผมตัวสั่นไปหมดตอนเช้ามาพ่อของผมก็ออกจากบ้านแต่เช้าไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าในหมู่บ้านของเรามีผีปอบมาอยู่เข้าแล้วสักพักหนึ่งชาวบ้านก็ต่างมาดูศพลูกวัวที่บ้านของผมลุงของผม ก็ได้เล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ทุกคนฟังผมพูดขึ้นว่าวันก่อนผมเล่นลูกแก้วกับอายุที่หน้าบ้านมียายแก่คนหนึ่งมาถามขายกล้วยให้ซึ่งไม่ใช่คนในหมู่บ้านเราแกเดินมาที่ขอกวัวแล้วจากนั้นก็เดินหายไปได้ยินดังนั้นผู้ใหญ่บ้านก็พูดขึ้นว่ามันมาแล้วในคืนนั้น ปรากฏว่าปอบได้ไปกินยายคนหนึ่งที่ท้ายหมู่บ้านซึ่งยายคนนั้นแกนอนป่วยอยู่เป็นปีๆแล้วอยู่ๆ ย, ยายแกก็อยากกินลาบดิบแกบนพื้พันกับลูกสาวของแกลูกสาวแกก็บอกว่าพรุ่งนี้จะทำให้กินตอนนี้ดึกแล้วพอพูดเสร็จ ลูกสาวก็กลับไปยังที่นอนของตนเองซึ่งจะอยู่ติดกับที่นอนของแม่แก่แต่อยู่คนละมุงช่วงเวลาตีสลูกสาวเห็นแม่เดินออกจากมุงแล้วเข้าไปในครัวลูกสาวก็ตามเข้าไปดูแล้วก็ต้องพบกับภาพที่ทำให้ต้องตกตะลึงยืนนิง่งเพราะเธอเห็นแม่กำลังกินไก่ที่แช่เอาไว้ในตู้เย็นลูกสาวเห็นดังนั้น จึงค่อยๆเดินกลับมานอนทำเหมือนไม่รู้ไม่เห็นอะไรพอถึงตอนเช้าลูกสาวก็รีบออกจากบ้านเป็นเล่าเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นให้ผู้ใหญ่บ้านฟังพอลูกสาวกลับมาบ้านก็เห็นแม่นอนตายอยู่บนที่นอนผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าไม่ได้การแล้วจึงคิดที่จะทำบุญใหญ่ซึ่งแถวบ้านผมเรียกว่าสูตรบ้าน ชาวบ้านทุกคนต่างก็เห็นดีด้วยแต่ละบ้านก็เอาสายศิลมาขึงรอบบ้านตัวเองแล้วโยงไปที่วัดเก็บเอาก้อนหินใส่ถังไปตั้งไว้ที่วัดด้วยทุกๆเย็นชาวบ้านจะไปรวมตัวกันที่วัดพร้อมกับสวดมนต์ไปพร้อมกับพระพอครบสามวันก็เอาก้อนหินที่สวดเสร็จมาโปรยทั่วบริเวณบ้าน หลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครได้พบเจอยายปอบอีกเลยเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณไหนด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอน สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ Facebook แ a n เ a g ใต้คลิปนี้นะครับ